ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่ได้มีเรื่องผิดใจใครเจอคนก็ยิ้มให้เป็นประจำแต่ก็ติดที่เนื้อตัวมันคล้ำไม่มีคนสนใจมองใครมากี่ครั้งถูกใจใครมาตั้งกี่คนทุกอยู่คนต่างก็หลีใไกล แค่อยากมีรักกับเขาสักทีแต่เป็นคนที่ผิวพันไม่ดีใจทำฉันไรพ่อแม่ให้ผมมาเท่านี้อันที่จริงเท่าที่มีก็ภูมิใจใจแต่วังว่าจะมีบางช่ไหมคนที่รักกันจะดำก็ดำแต่ตัวไม่ใช่หัวใจรูปร่าง ก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็องบอกกันมาเอาไว้อยู่ที่ไหน <Yeah. S 1> แม้ว่าน้าไม่ใส่แต่ว่าความจริงใจงยังมีคนคนนี้ไม่หลอกลวงใคร ให้ตูอย่ามองที่หน้าทีตาพอจะมีไม่นาคนที่มองกันให้ถึงข้างในพอแม่ให้คน ม, มาเท่านี้อันที่จริงเท่าที่มีก็ภูมิใจได้แต่วังว่าจะมีบางใ่ไหมคนที่รักกันจะดำ ก, ก็ดำแต่ตัวในใจหัวใจรู้ร้างหนกตายังไงแต่ก็รก ก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมนาะจะดังก็ดังแต่ตัวไม่ใช่หัวใจรู้ดั้งหน้าตายยังไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จไม่ รู้ร่างหน้าตายอย่างไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาจะจาตามก็ตามจะตัวในใจหัวใ จ, ใจรู้ร่างน้าตายอย่างไงแต่ก็รักจริงถ้าได้ลงเอยกับใครก็จะไม่ทิ้งถ้ารักกันจริงก็บอกกันมาว่าอยู่ที่